เดินมาเมื่อเวลาเราหยุดก็ฟังเนื้ออาจจะฟ้องหูประสานงานด้วยฟ้องหูถ้ามันปิดไปหูเนี่ยต้องเอาออกจากหูททต้องถอดหมวกก็ได้ เป็นการจำลองวิธีการตื่นรู้แบบธรรมชาติธรรมดาในใจจะไม่บริกรรมสิ่งใดปล่อยให้ใจเป็นธรรมะชาติแล้วก็ไม่เข้าสมาธิลึกแค่รับทราบทุกข้อมูลข่าวสารใบไม้ร่วงผ่านอากาศก็รับทราบเสียงนกร้องเสียงช้างหรือสัตว์ป่าอยู่แถวนี้ก็จะได้ยินก่อนแล้วข้อดีก็คือเราจะปลอดภัยขึ้นแลวก็มีที่ทางไปทางมาของกันและกัน ก็จะอยู่ร่วมกันอย่างขรนคล้ายอย่างตน้งตนไม้นี่ก็มีชีวิตมีชีวิตมีวิญญาณมีในตัวคือคือตัวตัวของเราเองนี่คือตัวของอาจารย์เองอาจารย์ก็คือต้นไม้ต้นไม้ก็คืออาจารย์นกก็คือตัวของชั้นเองอะไรประมาณถ้าละเอียดลึกลึกงไปอันนี้นเราพูดไม่ได้เป็ น, ปนแบบสมมุติมันเป็ น, เ, ป น, เ, ปนเรื่องซับซ้อนเหมือนกันที่บกอกว่าดิก น, Saint ow, ด ก, นกับใบไม้คือสิ่งเดียวกันเมฆดำเมฆขาวคือสิ่งเดียวกันหิมะกับสายน้ําคือสิ่งเดียวกัน เรากลายเป็นกาแฟและเป็นพลังงานให้กับเราทุกวันนี้เหมือนในกอคนหนึ่งนอนหลับฝันไปเราสามารถใจของเราสามารถปรุงแต่งแล้วก็มีดอกดอกผลเป็นจินตนาการเป็นภูเขาเป็นคู่คนเป็นตัวละครขึ้นมามากมายตัวละครจนกรทั่งเขาคิดว่าเป็นเรื่องจริงที่แท้ทุกอย่างเป็นผลผลิตจากจิตใจของเขาในกอคนนั้นเขาตื่นฝันขึ้นมาแล้วค่อยรู้ว่าเป็นเพียงเป็นจินตนาการของเขาเป็นศิลปะเหมือนจิตรกรสร้างสรรค์ผลงานออกมาสวยงาม มากทีเดียวแต่คือสะท้อนออกมาจากปลายปากกาปลายฝุ่กกันปลายใจของเขาออกมาจากตัวใจถ้าไม่มีใจทุกอย่างสร้างสรรค์จะไม่มีเลยนั้นสิ่งส่ญญางที่เราพบเห็นนี่เป็นจริงเป็นเพียงพลังงานของจิตใจของเราอย่างปิดที่เวอร์เทส <c oughs> เป็นผลเงาสะท้อนของพลั ง, งจิตไม้เท้าก็เป็นผลสะท้อนของพลังจิตหรือตัวของเรานั่นเองแล้วก็มองคนคนอื่ น, นก็คือเป็นผลงานของพลังจิตของเราเพอมีใจเนะี่ยจริงๆมีตัวละครมากมายต้นไม้จริงเป็นผลงาน เป็นตัวละครหนึ่งเป็นดอกผลของใจถ้าหากเราไม่มีใจนะเราจะไม่พบเห็นอะไรเลยโลกใงนี้ทุกอย่างมันไปตายแห้งแเเรงว่างเปล่ า, า, าแล้วเดียวดายก็คือไม่มีชีวิตชีวาเมื่อมารูมีใจปุ๊บเราจรึงสัมผัสกับต้นไม้ได้แล้วต้นไม้ก็คือเป็นอาศัยกันและกันอยู่ในห่วงโซ่เดียวกันอยู่ในมิ ต, ติเดียวกันอยู่ในสายทานเดียวกัน <c oughs> เป็นกระแสของเหตุปัจจัยกันและกันไม่มีสิ่งใดเป็นอะไรได้แท้จริงมันอาศัยกันและกันหนึ่งต้นไม้ต้นนีใ้ใหญ่ใหญ่เต็มอกเขาเรียกว่าต้นไม้ใหญ่เต็มอก เริ่มต้นมาจากหน่อเล็กนี้คือท่านเราจื้อพูดเอาไว้เมื่อหลายพันปีก่อนมาจากหน่อเล็กๆและหน่อเล็กๆอาศัยหยาดฝนอาศัยหมอกเมฆอาศัยพื้นดินอาศัยาธาตุแบบเดียวกันกับเราและเราก็มาพึ่งพิงกันอาศัยกันอะรกันถ้าต้นไม้นี้ตายเป็นเป็นผืนผื น, น, น, นดินก็ให้เราเหยียบเราย้ำได้ให้ต้นหญ้ามันขึ้นมาให้สัตว์ป่ามากินให้นกมากินให้ช้างมากินเราก็สามารถที่จะ อาศัยกันแล้วกันได้อาจจะไปในรูปแบบของผ่านป่าก็ได้ย้อนคืนถ้าใจกินเนื้อเนื้อสมดก็ก็นั่นแหละเห็นไหมเป็นพลังงานมันสมดก็มากินลูกไม้สัมพันธ์กันคือสมดก็คือตัวเราเราก็คือสมดแต่ถ้าในลักษณะของการตื่นรู้เนี่ยเราจะไม่เบียดเบียนจะไม่ไปฆ่าใครมาแกงหรือจะไปทําอะไรไม่มีเจตนามีแต่เป็นพลังงานตื่นรู้ แทนที่จะเป็นพลังงานไปฆ่าใช่ไหมเอามีดไปฆ่าเอาความคิดไปที่จะไปหาดประหารไปจะไปจดจาะสมาธิไปใช้ฟุ่งเฟยแต่ผู้ที่ทําการตื่นรู้นี่คือเอาพลังทั้งหมดมาเป็นการตื่นรู้และศักยภาพของการตื่นรู้เราจะเป็นคนคืนมาหมายถึงว่าถ้าเราไม่ไม่มีการตื่นรู้ไม่ได้ไม่ย้อนคืน ก, กลับสู่ธรรมชาติตัวเองนี่ เราจะไม่เป็นคนนะมันจะเป็นสัตว์เดรัจฉานมันก็ไปโกรธบ้างเกลียดบ้างโมโหบ้างตีกันทะเลาะ ก, กันนนไม่มีเพื่อนทะเลาะทะเลาะ ก, กับตัวเองดีกว่า <c oughs> ผ้านอนไม่สะดวกก็ทะเลออาะผูนอน <Okay. S 1> <c oughs> ทะเลาะ ก, กับมดทะเลาะ ก, กับว่าไม่ตีนตัวเองก็มีเหมืนกมีเมื่อก่อนไปอยู่ที่สวนโมกขัพระรามที่วัดทันน้ําไหลสมัยหลวงปู่พุทธทาสเมื่อปี 3, 2, สามสองก็มีคนหนึ่งเขาเป็นวัด เป็นวัะขี้มูกไหลนั่งสมาธิก็น้ำมูกไหลมาเสียดออกเสียดออกม่ผาเสียดออกสั่งปืป้ดปืดออกมันก็ไม่หมดมันก็ไหลออกมาอีกขี้มูกอ่ะมันเป็นวัตนะไหลออกมันเป็นโมโหตบจมูกตัวเองแต่มันไหลก็คือผสมเลมซอเลยก็ทาทำสม ท, ที่ก็ไม่ได้เว้ยตบจมูกมันคดพ่อคดแม่มันจ <c oughs> หลายยังไหลยบวยุบวยังจมูกก็สามารถทะเลาะได้หัวไม่ตีนก็ทะเลาะกับมันได้แหมดตัวหนึ่งก็ทะเลาะได้และเพื่อนของเรายิ่งเป็นบุคคลมันก็ทะเลาะทิฐิกันได้จงผ่อนคลายและปล่อยวางและยอมรับความเป็นจริงที่แตกต่างความแตกต่างที่เป็นจริงให้ยอมรับความแตกต่างเห็นความงดงามที่แตกต่างหลากหลายบ้างยอมรับเขาบ้างเขาตัวเตี้ยยอมรับเขาบ้างที่เขาขี้เละ จงภูมิใจอย่างค น, ค, น ค, นคนงามจะมีได้ก็เพราะมีคนขี้เหล่ดอกไม้เหี่ยวจะมีประโยชน์ตรงที่ว่าสามารถเป็นฐานให้ดอกไม้งามได้ไงให้เปรียบเทียบไงสั้นให้เทียบได้ยาวได้ยาวก็มีประโยชน์ตรงที่ว่า ม, มันมีสั้นให้เปรียบเทียบไงดีก็มันมีคุณค่ามาได้ก็เพราะ ม, มันมีชั่วไงชั่วทําให้เราจัดดีดํำทาให้เราจัดขาวเตี้ยทำให้เรารู้จักสูงขี้เหล่ทาให้เร า, ารู้รราจากั ก, จกงามแต่ทั้งเตี้ยทั้งขี้เหร่ล้วนจะเป็นครูที่แตกต่าง นะเวลาเจอความสุขก็ยิ้มเป็นครูที่งดงามเวลาเจอความทุกข์ก็ยิ้มเป็นครูที่น่าน่าอีกแบบหนึ่งแต่ก็นักภาวนาไม่ให้เลือกที่รักให้ให้ยอมรับทุกประเภททั้งเมฆดาเมฆขาวทั้งฝ่ายมืดแล้ฝ่ายดีต้นไม้ใหญ่เต็มปุ๋เริ่มต้นจากหน่อเล็กๆเหมือนเมล็ดงาเขาเรียกว่าเล็กก็คือใหญ่ใหญ่นี่คือเล็ก แล้วทั้งหมดทั้งมวลที่ว่าเป็นรูปเป็นล่างคือว่างเปล่ารูปคือความว่างรูปไม่ต่างจากความว่างความว่างก็คือไม่แตกต่างจากรูปเมื่อเห็นรูปก็เท่ากับเห็นความว่างถ้ารู้แจ้งความว่างก็เท่ากับเข้าใจรูปที่แตกต่างเพราะรูปคือความว่างความว่างคือรูปเล็กคือใหญ่ใหญ่คือเล็กต้นไม้ใหญ่เต็มอกเริ่มต้นจากหน่อเล็กและสิ่งหนึ่งอยู่ในอยู่ในสิ่งหนึ่งเช่นเมฆอยู่ในในต้นไม้ได้ หมอกอยู่ในต้นไม้ได้พลังงานอยู่ในนี้ได้ไฟอยู่ในนี้ดินอยู่ในนี้ลมอยู่ในนี้หายยังไงเอามาผิงดิไฟอยู่ในนี้จริงรึเปล่าพลังงานมากมายมหาศาลอยู่ในนี้หมดทั้งเมฆทั้งหมอกทั้งตัวเราเราก็อยู่ในนี้อันนี้ก็อยู่ในตัวเราการันและกันเป็นกันและกันสัมพันธ์กันและกันถ้าไม่มีเราต้นไม้ก็ไม่มีใช่ไหมถ้าเราตายลรงตัวนี้เราก็ไม่มีต้นไม้ต้นไม้ก็จบสิน้นเราทุกอย่างจึงเป็น ข, ข้อมูลข้อสารที่สัมพันธ์กันอย่างละเอียดและซับซ้อนมาก บ้านก็อยู่ในนี้ในมุมหนึ่งไม้จิ้มฟันก็อยู่ในนี้ตะเกียบก็อยู่ในนี้ <c oughs> ถ้าเอาต้นไม้นี้ไปเลื่อยเป็นบ้าน <c oughs> เป็นเสาก็ได้เป็นขื่อก็ได้เป็นแป่ก็ได้แต่พอไปสร้างบ้านเขาไม่เรียกว่าต้นไม้เรียกว่าบ้านชั้น <c oughs> นั่นคือบ้านเธอ <c oughs> อ, เธ อ, <c oughs> อย่างนี้นะ <c oughs> ต้นไม้สามารถเป็นไม้ตะเกียบได้เป็นไม้จิ้มฟันได้เป็นแป้นได้นี่แหละขึ้นอยู่กับกาะเทศะเมื่อนั้นสิ่งที่เราเรียกกันที่เราพกเพียนมันขึ้นอยู่กับกาะเทศะและส่วนผสม ถ้าส่วนผสมถูกต้องหน่อยก็เรียกว่าญิงงามถ้าผสมถูกต้องสิมากไปหน่อยหรืออยู่นานไปหน่อยผสมนานมัก็เรียกว่าหญิงชราจงเห็นความงามในในความแตกต่างให้ได้เวลาในในส่วนผสมบางอย่างเนี่ยทำให้เราโกรธมีส่วนผสมบางอย่างทําให้เรารักทํามีส่วนผสมบางอย่างทําให้เรามีความสุขแต่อย่ายึตตดติดเต่านี้จงตระหนักรู้อย่างงดงามตระหนักรู้อย่างไม่แบ่งแยกตระหนักรู้อย่างไม่เลือกตระหนักรู้ก็คือตื่นรู้นั่นเองก็คือ ตื่นรู้ที่ใช้กับชีวิตประจําวันเราเลยเราจะเห็นความสิ่งหนึ่งและสิ่งหลายๆสิ่งซ่อนอยู่ในสิ่งหนึ่งต้นไม้บ้านก็ซ่อนอยู่ในนี้ได้ตอนนี้เรียกว่าต้นไม้ไปก่อนแต่อย่าบอกว่านี่คือบ้านเดีย๋ยวจะขัดแย้งกับไอ้สมมติเราก็ว่าตอนนี้คือต้นไม้จนกรังว่าจะเป็นตะเคียนก็เรียกตะเคียนต้นยางนาก็เรียกยางนาไปก่อนเพื่อจะไม่ทะเลาะกับใครแต่บอกว่านี่คือบ้านนี่คือ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 ครบๆแล้วนะเี็นะขาดลุงหนึ่งเนี่ยเอ อ, เ อ, อยืนๆกังอยู่น ะ, นะไ ป, เ, ไไ ป, ไปเรื่อยๆไปๆเดินสบายวนะัน <c oughs>